บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในส่วนที่เราเรียกว่าภาวนาจงเน้นปฏิการพยายามเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้นโดยลำดับในขณะที่ปริมาณของความดีเพิ่มขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเรียกชื่อเป็นองธรรมข้อใดก็ตามเขาจะแสดงความดีของเขา อ, ออกมาให้ปรากฏแต่ในขณะเดียวกันก็สลายสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตนและสิ่งที่ใกล้เคียงกันให้มีอำนาจอิธิพลเจือจางเ้าบางลงไปจากจิตใจถึ่งก็อนนี้พึงสังเกตเมื่อเรากล่าวโดยสรุปที่เป็นรูปของศีลสมาธิปัญญา หรือบางครั้งบางคราวอาจจะกล่าวเพียงปัญญาข้อเดียวหรือกล่าวเพียงศีลข้อเดียวเวลาประพฤติปฏิบัติลงไปข้อปฏิบัติในชั้นศีลมีการจาแนกออกไปเป็นข้อๆเราเรียกว่าสิกขาบทเปลว่าก้าวหรือขั้นของการศึกษาเป็นหลักการปฏิบัติที่เป็นเครื่องวัด สภาพทางร่างกายทางจิตใจของบุคคลว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ตอนนี้ก็คือการยกระดับพฤติกรรมของคนขึ้นมาเหนือสัตว์เดชาเพราะเป็นภาพของสัตย์เดชานั้นคือภาพของการเบียดเบียนภาพประทุษร้ายกันและถ้าหาเรามองเป็นรูปธรรม มันก็คือสภาพชีวิต ท, ที่เราเรียกว่าอบายคือหาความเจริญไม่ได้ที่พระเจ้าทรงจำแนกแสดงประเภทอบายไว้เป็นสี่ประเภทประเภทแรกคือนิรยะนรกมีความทุกข์ทรมานเดือดร้อนด้วยประการต่างๆถ้าเราดูสภาพจิต ท, ที่ตกนรกก็คือจิต ท, ที่มากด้วยโทสะ มากด้วยความมาคาดพยาบาทมากด้วยความคิดรุนแรงคิดฆ่าคิดทำลายฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบใจะจะถูกเอาหลนด้วยความรู้สึกเหล่านี้อยู่ตลอดแต่ความโกรธความมาคาดพยาบาทมีความรุนแรงก็จะสูญเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตจนบางครั้งก็กลายเป็นคนวิปริตคือบ้าไปเลยก็ได้ วันทรงนีจึงเป็นสะท้อนเป็นการสะท้อนได้ทั้งที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือนรกจริงๆและสิ่งที่เป็นนามธรรมคือความโกรธที่เกิดขึ้นภายในใจเรามันมีลักษณะเผาหลนรุนแรงอย่างไรทุกคนมีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปดูจิตในขณะนั้นหรืออาจจะบันทึกเป็นภาพวิดีโอเอาไว้ บันทึกเสียงเอาไว้บันทึกภาพเอาไว้ในขณะที่เรามีความโกรธรุนแรงแล้วก็ภาพเหล่านั้นมาเปิดดูในขณะที่จิตใจเราปกติต้าหากว่าจิตใจไม่ปราบหยากยาช้าเกินไปจะเกิดความสลดเกิดความสังเวชเกิดความปวดรูสงสารตัวเองและจะเกิดความเพียรที่จะลดละอาการผิดปกติเหล่านั้นลงไป ลักษณะความคิดตรงนี้ดูแล้วคล้ายๆจะเรื่องเป็นความคิดธรรมดาธรรมดามนเป็นเรื่องจิตสํานึกของคนที่ไม่เหตุมีผลพอสมควรมันก็เกิดจิตสํานึกขึ้นมาได้แต่จะถามว่าองค์ธรรมคืออะไรเราก็จะเห็นองค์ธรรมว่าคือสติคือสัมปชัญญะคือความเพียรพยายามเดี๋ยมันเกิดขึ้น โดยสาเหตุการณ์ต่างๆความบกพร่องไปพลาดต่างๆของตนในอดีตมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนการคิดการปลุกเราจิตวิญญาณที่จะดละอาการไม่เหมาะไม่สมตัลนั้นออกไปภาพของชีวิตที่รุนแรงอีกประการหนึ่งก็คือภาพของตรงใช้คำว่าปิติวิทยะคือภูมิแห่งเปรตหรือชั้นแห่งเปรต มีสถานที่อยู่เรียกว่าเปตรโลกหรือโลกของเปรตเป็นภาพชีวิตที่มีความผิวโหยทุกทรมานด้วยความผิวความอยากในสิ่งทั้งหลายแต่ก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้คนณลนี้จึงผิวโห ย, อ ย, อ, ยอยู่เป็นนิดแต่เมื่อเรากล่าวโดยสภาพของจิตที่แต่ละคนสามารถสัมผัสได้เรวก็เคยสัมผัสกันมาแล้วมากบางน้อยปาง นั่นคือภาพของจิตที่มีความกระหายมีความผิวมีความอยากที่บางครั้งบางคาวเรียกว่าดิ้นรนทะเยอทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีจุดจบแล้วก็ปนคราบคร้าวกันไปด้วยความรักความชังความโศก ค, ความขับแค้นหมุนวนก็อยู่ในเรื่องตรงนี้อยากได้มาก ก็ผิดหวังมากต้องใช้ความเพียรพยายามมากมีการต่อสู้มีอุปสรรคขัดขวาง ม, มากและถาวิธีการในการแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองขาดความแยบคายคือใช้ไปตามอารมณ์ของความอยากที่บังเกิดขึ้นก็เป็นการปฏิบัติการที่เพิ่มบาปเพิ่มอกุศลให้แก่ตัวเองเพิ่มความทุกข์ทรมานให้แก่ตัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น นั่นก็คืออาการของจิตที่ประกอบด้วยการมรารคะที่รุนแรงหรือประกอบด้วยโลภะที่แรงอีกประการหนึ่งเรียกว่าดิเรชันโยนิคือกำเนิดของสัตว์ดิเรชันคาว่าดิเรชันนั้นคือสัตว์โลกที่เจริญไปในแนวราบตันทียวกว่าเจริญทางขวางแบบสัตว์ดิเรชันทั่วไปหรือราบไปกับโลกขนานไปกับโลก มายความเมื่อจะมีอาการสยบติดอยู่กับโลกจะทำอะไรที่ก่อให้เกิดอาการสยบติดเราจะพบว่าอาการของโมหะคือความลุ่มหลงความบวมเมาไม่รู้บาปบุญพุนโทษในเรื่องเหล่านั้นแม้จะรับการเจ็บปวดทุกทรพาน แต่พอผ่านไปแล้วก็ลืมแล้วก็หวนกลับมาสู่ตรงนั้นดีกเราจะเห็นว่าสัตวิรกชานั้นจะทำอะไรไปตามสัญชาตญาณบางครั้งบางคราวก็มีภัยมีอันตรายก็เห็นกันอยู่แต่เพราะโมฆะปิดบางเหตุผลสติปัญญาเอาไว้แกก็ไม่เข้าใจ บ, บรรพุทของแกเคยประสบปัญหาเพราะการตักแล้วเพราะการตกหลุมเพราะตก เพราะการจับในวิธีการต่างๆหรือเพราะเหยื่ออะไรต่างๆแกรุ่นหลังๆมันก็เจออย่างนั้นเหมือนกันนั้นก็แสดงไม่เห็นถึงอาการของบุคคลที่มีอยู่ภายในจิตใจและยิงมาออกมาแนวหนึ่งที่นั่นเรียกว่าอสุรกายแสดงออกมาในรูปของการหลอกหลอนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ให้แกตัวเอง ทำไปด้วยความโกรธ ก, ก็ได้ความหลงก็ได้ความโลภ ก, ก็ได้ซึ่งหมายความว่าพอทำไปแล้วจิตใจคนเราจิตใจของคนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงตกต่ำลงไปถุกกลุ่มดูเบอร์นาคังกิเลสความรุนแรงในลักษณะนี้เป็นความตกต่ำของจิตวิญญาณที่อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานของศีลหมายความว่าศีล ที่เป็นเป็นบทบัญญัติตั้งแต่โบราณากาลมาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับรองแล้วก็ทํามาบัญญัติเพิ่มเติมอธิบายให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั้นมันไม่มีอยู่ใหม่ในในหมู่พวกอบายทั้งหลายคนนั้นจึงเสื่อมสาตวล่านั้นจึงเสื่อมคือหาความเจริญไม่ได้การปฏิบัติในชั้นศีล เป็นการปฏิบัติที่พึงสังเกตว่ามันอาจจะเกิดจากจิตใจที่มีความเมตตากรุณาก็ได้เกิดจะเกิดจะเจะพืนเพจจรชฤธิตอัริยสดั้งเดิมที่มีวาสนาบารมีอยู่มีความลายบาปมีความบังเกิบาปมีความขยะขยงต่อต่อบาป ลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าสร้างเป็นลักษณะนิสัยของคนของเด็กเล็กๆที่ก็เกิดมาแล้วก็เติบโตมาด้วยการไม่ไม่นิยม ช, มชมชอบการเบียดเบียนประทุไรมีนิสัยอ่อนโยนมีนิสัยเมตตาบกว่ามารีต่อบุคคลอื่นนั้นก็แสดงว่าเป็นเรื่องวาสนาปารมีของเขา หรือเกิดในจิตสานึกที่ดีงามที่มีปัญญาข้อกับกับสวจสอบปินี้พิจารณาเพราะว่ากาข้อปฏิบัติในชั้นศีลเป็นแนวของการอุ ป, ปมาเทียบเทียนเป็นการมองแบบใจเขาใจเรามองจากเขามาหาเรามองจากเราไปหาเขาและจะมองเห็นเป็นเอกาภาพคือคนแต่ละคนนั้นต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์การละเมิดศีลเป็นการให้ทุกข์แก่บุคคลอื่นแต่ให้ทุกข์แก่ตัวเอง การรักษาศีลเป็นการให้สุขแก่คนอื่นเป็นการให้สุขแก่ตนเองแล้วก็ตั้งใจสารวมระวังการสำรวมระวังนั้นศีลท่านใช้ภาษาไทยว่าสะอาดคำว่าสะอาดเป็นอาจารย์อาการของเจ็บจํานุงที่รู้โทษของความสกปรกและคุณค่าของความสะอาดแต่ความสะอาดในด้านศีลนั้นจะปรากฏที่อาการภายนอก คือกายกับวาจาเพียงแต่สะท้อนกลับไปดูที่จิตของคนเรานั้นได้ยิ่งว่าการตามความเป็นจริงแล้วคนที่รู้จริงก็คือคนที่รักษาสิ่งคนอื่นไม่รู้ชัดเจนถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการที่ปรากฏออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำนั้น อาจจะเป็นการสะท้อนกุศลธรรมหรืออาจจะเป็นการสะท้อนอกุศลธรรมก็ได้เพราะในขณะที่ภายในจิตใ จ, จของเรามีความเมตตามีความกรุณามียิริมตตะเป็นต้นอยู่นี่แล้วก็มีอกุศลทุจริตประเภทอื่นมาเกิดขึ้นภายในใจได้เช่นเดียวกันเช่นมารยาความเจ้าเล่ห์เสแสร้ง ต้องการให้คนอื่นหลงไหลลักษณะาภาพที่เราเห็นพวกเสือจำศีลพวกนกยางจำศีลพวกหน้าเนื้อใจเสือพวกปากปากหวานก้นเปรี้ยวพวกปากปลาใสาใจเชือกคออะไรต่างๆอาการข้างนอกเป็นศีลที่สวยงามแต่การข้างในจริงๆเป็นเรื่องที่น่ากลัว อยงที่โบราณท่านเปรียบถึงผลมันเดือเปรียบถึงนกยางผลมันเดือข้างนอกก็สวยงามน่ารับประทานแต่ข้างในก็มีสัตว์ตัวสัตว์อยู่ข้างในนกยางสีขาวปลอดบริสุทธิ์ถ้ามองจากข้างนอกก็สวยงามแต่ว่านกยางค่าค่าสัตว์อื่นวันหนึ่งเยอะเพราะอันของเขาคือสัตว์เป็น เป็นภาพของความขัดแยง้งอาการที่ปรากฏกับความคิดนั้นไม่เหมือนกันไม่ตรงกันดังนั้นท่านจึงถือว่าการสำรวมระวังการงดเว้นการสำรวมระวังการข่มใจการหนักห้างใจ ตัาการที่ปรากฏนั้นเป็นปกติจริงๆพูดอย่างไงใจคิดอย่างนั้นแสดงออกมาอย่างไงใจคิดอย่างนั้นเป็นการที่ตรงซึ่งมาจัดเรียกในรูปสังคุลว่าอุชุปฏิปัโนคือปฏิบัติตรงคำนัความว่าเป็นการปฏิบัติที่สักระ เพราะถ้าหากว่าไม่สดรับการระหวังจิตใจกับอาการที่ปรากฏภายนอกมันก็ไม่ใช่อาการของศีลจริงๆเพราะลักษณะของศีลท่านนึงบอกว่าเจตนาเจตนาความสำรวมระวังการไม่ร่วงละเมิดการสงบกายสงบประจา่าความปกติการเย็นกายเย็นจิตในชื่อวศีล มีสติมีปัญญาเข้ากำกับพราจมาอย่างนั้นอาจจะเป็นการแข่งดีกับบุคคลอื่นก็ได้อาจจะเป็นการโอ้อวดแบบแฟชั่นโชว์ก็ได้เราจเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันมีอาการเยอะที่บางทีสวยกว่าธรรมะเลยซ้ำไปหลอกให้คนหลงผิดหลอกให้คนเข้าใจผิดคำนวนทางศาสนา ผจ้าทงใช้คำว่าปาปิดชะแปลว่ามีความปรารถนาชั่วร้ายมีความต้องการในชั่วร้ายอยู่ภายในใจข้ะที่ไทยเราเองก็ดูเหมือนจะทรัพย์ซึ้งเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มีการพูดถึงการระมัดระวังการเดยวใจเชื่อใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเป็นต้นเพราะสิ่งจริง จ, งจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวคน คนอื่นไม่สามารถรู้ได้หรอก็อาการที่ปรากฏออกมาทางกายการพูดทางวาจาของท่านเหล่านั้นแสดงถึงความมีศีลหรือไม่มีศีลเพราะภาในใจใจท่านอาจจะคิดอย่างหนึ่งแล้วก็พูดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งได้การสำรวจระวังจงเป็นหน้าที่ของคนที่เห็นคุณค่าของศีลเราสำรวจระวังโดยจิตเป็นตัวหลักเป็นตัวคุม เป็นตัวเจตนาที่จะงดเป็นพ้นเวลาความผิดศีลระดับใหญ่ๆมาความศีลที่มีโทษมากๆเป็นศีลห้าประการสำนวนบาลีท่านว่าจงใจคือสจิตกะคือจงใจที่จะทำที่จะพูดที่จะแสดงออกมาในลักษณะนั้น หมายความอย่างไรหมายความมาทําให้จงใจก็ไม่เชื่อว่าเป็นการละเมิดเช่นตัวอย่างเราเดินไปบนถนนหรือขับรถไปสมาทานศีลไปแล้วขับรถไปมันกระทบสัตว์ตายเยอะเดินไปบางทีก็เหยียบมดเหยียบอะไรแต่ไรตายบางคนไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตัวนี้คือไม่เจตนาะสัตว์นั้นมีชีวิต เราไม่รู้เราไม่มีความจงจิตที่จะฆ่าเราไม่ใช้ความผาดความเปลี่ยนปยัญญาตีฆ่าแม้สัตว์นั้นจะตายกระดับเพราะเราจะเห็นว่าสามข้อเนี่ยมันไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความจงใจความตั้งใจศีลจึงอยู่ที่ความตั้งใจสํารวมระวังงดเว้นแล้วก็มองดูความสะอาด เราความสะอาดตัวนี้มันสัมพันธ์สอดคล้องกันหรือเปล่าที่เราพูดที่เราทําที่เราคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าเอาแหละดูข้างนอกกายมันสะอาดว่าจจสะอาดได้ใจในสะอาด ห, หรือเปล่าเป็นอาการหน้าเนื้อใจเสือหรือเปล่าเป็นอาการซ่อนดาบในรอยยิ้มหรือเปล่าแต่ว่าใครรู้ล่ะก็คนแต่ละคนนั่นแหละต้องรู้ด้วยตัวเอง ตอนนี้เมื่อท่านสายชนมองกลับไปที่ลักษณะของธรรมะ ก, ก็จะเห็นว่ามันก็สอดรับกับองค์ตรงนั้นคือข้อที่เรียกว่าสันติโกคือผู้บรรลุจะเห็นเองเห็นความสะอาดเองเห็นความไม่สะอาดเองเห็นความผ่องแผ้วเองเห็นความเศร้มองเองเป็นการปฏิบัติที่รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตามหลัก อ, อะไรก็คือหลักของกรรม่าที่เราพูดประยู่เสมอ ขงการรักษาศีที่จริงก็คือการเจริญร ก, กุศลกรรมแต่ถามว่าใครได้ผลจากการเจริญรกุศลกรรมตรงนั้นคนอื่นได้โดย อ, อ้อมแต่ผู้เจริญก็จะได้โดยตรงคนอื่นถ้าเขาได้หปความว่าเราก็ต้องลงมือกระทำเขาเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้โดย อ, อ้อม หมายความว่าคนมีศีลจะไม่ร่วงสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของเขาแต่เอาความจริงปรากฏว่าโลกมันก็ไม่ได้มีคนมีศีลไปทั้งหมดเพระคงจะถูกล่วงละเมิดจากคนอื่นก็ได้และที่ประการสาคัญอย่างยิ่งก็คือว่าสวัสดิภาพที่เราได้จากคนอื่นโดยเราไม่ได้ลงมือกระทํานั้นอย่างดีเราก็ได้แค่ชาตินั้นท่าน น, น, น, นั้นเองพอตายไปแล้วก็จบสิ้นกัน ซึ่งผิดกับผลของศีลผลของสมาธิผลของปัญญาที่เราประพฤติปฏิบัติมันให้สวัสดิภาพแก่ตัวเราและให้สวัสดิภาพที่เราจะได้รับจากบุคคลอื่นในขณะเดียวกันมันเป็นพื้นฐานจิตที่เราเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่จะติดตามเราไปในภพชาติต่างๆ พันเรื่องศีลจึงกลายเป็นเรื่องของชีวิตเป็นการมวยประโยชน์สุขในปัจจุบันแก่บุคคลอย่างที่ทรงแสดงว่าศีลเลนะปกสัมปท า, าคือบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยภกสัมปทาของศีลในขณะเดียวกันเป็นคุณภาพของจิตวิญญาณก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกุศลกรรมที่ ติดตามบุคคลไปในลนักษณะของเงาที่ติดตามตนไปอำนวยผลให้ในพบชาติต่างๆเป็นกรรมประเภทต่างๆที่เข้าไปตัดรอนผลบาปผลอกุศลหรือเข้าไปกาให้การรักษาคุ้มครองบางคราวบา ง, างคนที่มีศีลมีศีลดีที่เรียกว่ารักษาศีลได้ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วมันอยู่จุดหนึ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่ท่านเรียกว่าบารมีเต็มพวกบารมีเต็มนั้นก็คือปริมาณของความดีทั้งหลายนั้นมันถึงจุดที่ท่านจะฟังธรรมเทศนาไม่มากเท่าไหร่ก็าสามารถบรรลุมรรผลได้อย่างพวกปริญาบุคคลทั้งหลายท่านนนี้มันอยู่ในประเภทที่เรียกว่า ได้รับการคุ้มครองจากพวกบรารมีแล้วนั้นในสมัยพุทธกาลเราจึงพบพระเทระบางรูปยังไม่ทันคลอดแม่ตายเข้าแม่ไปเผาปรากฏว่าพอไฟไหม้มาถึงตรงนั้นมันเกิดบุญบรารมีคุ้มครองป้องกันตัวเองไม่เป็นอะไรส่วนอื่นของร่างกายแม่ถูกเผาไปแต่ส่วนนั้นไฟไม่ได้ทำลาย พระธีระบางรูปเป็นพระหันต์ก่อนหน้านั้นก่อนท่านเกิดมาถูกปลาพุกลงไปในขณะดไ่เข้าอาบน้ําในแม่น้ําแต่ก็รอดตายมาได้ถ้าเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นพวกสัตว์ที่เกิดมาชาติสุดท้ายมีญาณปกแผ่มีปรามีปกแผ่ไม่มีใครทําอันตรายได้ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ ทา่านจะต้องบรรลุมรรคผลเป็นราษรไปก่อนแต่เมื่อเมื่อบรรลุแล้วก็าอาจจะถูกทำลายได้เช่นพระโมคคัลลานะที่ถูกฆ่าจนนิพพานอย่างที่ทราบกันแการบัดในชั้นศีลจึงดูความสะอาดนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องดูเองบางครั้งางคราวาจาแม้จะไพเราะแต่พูดวยจิตที่ไม่สะอาด ้เราสังเกตว่าคำบางคำเนี่ยมันไพเราะมานน่าฟังเรียกคนธรรมดาสามัญว่าคุณหญิงว่าคุณนายเรียกคุณคนที่มีฐานะตำแหน่งด้วยคำธรรมดาธรรมดาโดยเฉพาะเรียกในทานองยกย่องยกเกินฐานะฐานะที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นหมู่เราเรียกผู้การอย่างนี้น ดูได้คล้ายๆคำยกช่องแต่จริงๆแล้ว ใ, ใจไม่สะอาดเป็นลักษณะของคําพูดประชดประชันเยอะยถักฐานให้ได้อายตรง น, นี้จึงมาอยู่ในเงื่อนไขของการปฏิบัติระดับของวาจาที่ส่งจำแนกแสดงไว้ในเรื่องของกุศลกรรบุเรแตจริงแล้วเป็นการปฏิบัติระดับศีแต่ความสะอาดนั้นจะต้องเห็นในแนวลึกด้วย ไม่ใช่ในแนวที่ปกติธรรมดาคือสถานาการณ์ปกติชีวิตเราไม่ได้อยู่ในสถานาการณ์ปกติเสมอไปปัญหาสำคัญว่าในสถานาการณ์ที่วิกฤตมีการกระแทกกระทันจากภายนอกรุนแรงมีการด้วยยุ่รุนแรงมีการด้วยยวนรุนแรงมีกลุ่มผลประโยชน์มหาศาลอยู่ตรงนั้นการโอกาสกลุ่มคนบุคคล มันเอื้อมนวยที่จะให้เราทำความชั่วความผิดได้แล้วก็ได้เงินได้ทองจมดวดมหาศาลปัญหาสำคัญว่าจะเอาศีลด้วยจะเอาทรัพย์สินซึ่งก็คนก็ไปได้ทั้งสองทางเทียวทรัพย์สินมันก็มีอยอะเดี๋ยวศีนั้นก็มียาะแต่การเอาศีนั้นแสดงถึงความมั่นคงภายในจิต แล้วก็มองเห็นคุณค่าของศีลที่เป็นอริยศัพกับคุณค่าของทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกิยศัพ์โดยจะรวยมากม า, มายมหาศาลายังไงก็ตามพ้ท้ายเป็นสมบัติของโลกเราเออไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ศีลมันเป็นอริยศัพย์มันติดมันติดจิตเป็นคุณภาพของจิตเป็นกาน อำนวยะโยชน์สุขให้ในชาติปัจจุบันในชาติหน้าแล้วก็ในชาติต่ อ, ตอไปตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานในรูปของบา ร, รมีธรรมผมมีปัญญาพิจารณาเห็นก็อนยอมสะละทรัพย์สมบัติโดยมายึดมั่นอยู่ในกฎของศีลรูปแบบสามัญสามัคล้ายๆไม่ได้อะไร แต่ว่าถ้าดูโดยเหตุโดยผลโดยกระบวนการของกรรมของสังสารวัตรของการสร้างมางงเป็นบารมีของสวัสดิภาพที่เราจะพึงได้ในชาติปัจจุบันนั้ในชา ต, ติต่อไปก็จะเห็นว่าการศินไหวจะมีประโยชน์มากกว่านี่การมองในแนวลึกพรเมื่อสมาทานศีลไปแล้วอาการสัมบูรณ์ระวังนั้นที่จิมก็อยู่ที่ใจ และกำหนดการพูดการกระทำมาจากใจที่เหมาะชื่อควรแก่สถานะของผู้มีสีแต่ใ น, นขณะเดียวกันห้ความรู้สึกที่ใจเจนสมมติว่าเรงงดเว้นสีลข้อปราธิบัติ์ไปตรงงดเว้นจากการทำลายชีวิตสัตว์ให้ตายไปโดยเจตนาต่อแต่ แต่นั้นมันก็ไม่มีจะไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะพกพาอาวุธเครื่องศัตรากรัประหารทั้งไรลราเกิดสมนวนระวังตรวนั้นเวลาเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสิ่งของทั้งไยในความระมัดระวังไม่ให้กระทบกระทั่งต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อครอครองต่อผลประโยชน์ที่บุคคลอื่นจะพึงได้ แล้วจิตใจที่มันสงบขึ้นสะอาดขึ้นประณีตขึ้นก็จะมองคนสัตว์ด้วยเมตตากรุณาใจก็จะอยู่ด้วยเมตตากรุณาพอมาถึงเมตตากรุณาที่จริงแล้วศีลไม่ต้องนับเป็นข้อก็ได้เพราะว่าเป็นธรรมะที่รักษาใจคุ้มครองใจ ศีลไม่ต้องสํารวมระวังเพราะว่าเป็นอัตโนมัติไปแล้วการเคลื่อนไหวทุกอย่างของท่านอาการทางกายวาจาของท่านก็กลายเป็นอาการของศีลเป็นวาจาของผู้มีศีลเพราะใจท่านมีธรรมะซึ่งมันเหนือกว่าศีลขึ้นไปดังนัใน แ, แง่มความจริกงก็คือมีศีลด้วยเพียงแต่ว่าไม่ต้องถึงสํารวมระวังจนต้องเกรงต้องเครียดอย่างคนทั่วไป ประเด็นเนื้อหาสาระของความเป็นศีลก็คงอยู่ที่ใจสั่งแล้วสะท้อนออกมาเป็นกายสะอาดจริงๆเป็นวาจาสะอาดจริงๆไม่เสแสร้งไม่มายาไม่อโอดไม่แข็งดีอะไรก่ใครซึร่งผลเหล่านี้เป็นผลที่ไปจากแก่ใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในชั้นของสมถกรรมฐานรู้จ้าจึงทรงสแสดงในรูปของศีลานุสติ การตั้งสติเหนียวดูสีล์ของตัวเองระลึกถึงสีล์ของตัวเองเม้นความพองแผ่วในสีน์ของตัวก็จะเกิดปีติความสงบประโมดขึ้นจิตใจก็จะมีความสงบเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีความพร้อมที่จะก้าวไปถึงจุดของความสงบและความสว่างด้วยปัญญา จึงบกเส้นทางสายเดียวกันนี้พระเจ้าเจ้าทั้งหลายท่านได้เดินมาแล้วแล้วก็ประสบผลมาแล้วในฐานะนั้นๆถึงเมื่อใครเดินไปโดยชอบก็จะประสบผลในทํานองเดียวกันต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจตทำความสงบสืบต่อไป